أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِ و س ل م وبارك على نبينا م ح, ح م د وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما ع م ل ما م ت ن ا إنك أنت العليم الحكيم رب إشرح لي صدري و ي س ر لي أ م ر ي وهل لعقدة من لساني ยั่งขะ่าออัลัย์ขอัลัย์ขออัลัย์ขัลัอลัลัย์ขออัลัย์ลััยัอัอย์ั أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الش الر لا تحرك به لسانك لتعجل به إِ นَ้น عليناجمعه َ وقرآنه ُ فإذا َِ قرأناه َ فاتبع َّ قرآنه ُ ثم ُ إن علينا َ بيانه <ت ص في ق> كلا َ بل تحبون َُ العاجلة ว่าจะ ر ู <ون> <رة> و ใน الآخرى وجهه يومئذ ناظرًا إلى ربه ناظرًا วูโจอ ه ้ยَ์เมื่อใด้บ้าซีระท่านจะُู้วَ่ท่าَจะรَู้่ الحمد لله นะไม่ถ به لسانك لتعجل به الحمد لله นะอ่าอายะที่จนถึงอายะที่ ا, آ, ا, ا, ا ن ل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم علي إن علينا بيانه ซ้ำนั่ักจากอายะในสุรุกิยามานี้ดูเหมือนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาก่อนหน้านี้เลยสังเกตดูให้ดีลองทวนลองย้อนกลับไปดูอายะก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อัลลอฮฺสุบฮ่างตะลาพูดถึงวันเกียรติการปฏิเสธของมนุษย์แล้วอัลลอฮฺตะลาก็ตอบโต้ คนเหล่านั้นนะครับคนที่ปฏิเสธวันกียร์มัดบาลิลอ็นซาโนอาเลนักซีบาซีรอมนุษย์นั้นจะได้เห็นคือเป็นพยานกับตัวเองว่าตัวเองที่ทำชั่วว่าเราอัลกอมาอาซีรอถึงแม้ว่าจะหาข้ออ้างยังไงมาก็ตามแต่แต่ว่าลึกๆโดยตัวของเขาเองเขาก็รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรแล้วอยู่ๆละตลาก็ขึ้นมาว่าลาทุฮริก bihilisana อยากขยับลิ้นของเจ้าเกี่ยวอะไรกับวันกิยามัตข้อที่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับและจะฮัดเรื่อยลิซนะกะลิตาเจลับีเป็นคําสั่งต่อท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่แทรกเข้ามาระหว่างที่ยิบรีกําลังสอนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามัตเกี่ยวกับมุชริกมเนี่ยท่านนบีเนี่ย แรกแรกตอนที่ท่านรับวะยูกับยิบรีเนี่ยท่านเป็นคนที่มุ่ง ม, มั่นมากตั้งใจมากท่านกลัวว่าเวลายิบรีอ่านอัลกุรอานอะไรให้ท่านฟังแล้วเนี่ยท่านจะพลาดกลัวว่าท่านเองจะรับฟังไม่ทันหรือกลั ว, วตัวเองจะท่องไม่จําเราเป็นอย่างนั้นไหมเวลาเรียนกับต๊ะครูแล้วก็ไม่ทันที่ตะครูจะอ่านให้จบเราก็อ่านไปด้วยพลางๆแล้วนะครับรีบ พอเก like so ิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายๆครั <ARON> ้งรัตอาลาก็เลยสอดนวิธ like ีว่าเวลาเรียนอัลกุรอานกับจิบรีลเนี่ยต้องทํำยังไงก็เลยสั่งท่านนบีว่าละทุฮาริกวิฮิลิซานะครลิจะจะแลบิอย่าขยับลิ้นของเจ้าเพราะรีบเร่งที่จะท่องอัลกุรอานไปพร้อมๆกับจิบรีลอัลลอฮิสสลามซุบฮานะลลอห์เนหาตรงนี้สวยงามมากเหมือนกับว่ากําลังพูดเรื่องอื่นอยู่แต่ก็แทรก แทรกมานิดหนึ่งได้ตามสถานการณ์ที่กำลังสอนอยู่เหมือนเวลาที่เราเรียนเรียนเรียนเรียนแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินขึ้นมานะคนสอนก็สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องได้ตอนนั้นเลยเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรก็อยากแก้ปัญหาเฉพาะหอัานี้ก่อนเพราะฉะนั้นสองบรรทัดนี้เป็นการแตะดีบหรือเป็นการสอน เป็นการสอนมารยาทเวลาที่จะเรียนอัลกุรอานเราจะนั่อ่านให้ฟังนะครับจะอ่านคําพูดของอิมรุคาซิดแล้วก็นะซับซิดหลายๆลอย่างที่ที่เขาบอกนะครับแต่ว่ามาดูความมาละทุ่ริบบิฮีลิซานักะลิจัจลับิเขาว่ายังไงยาที่สิบหอย่าได้ขยับลิ้นของเจ้าโอ้พระเป็นนบีเพื่อท่องจำอัลกุรอานในยามที่วะฮิอยู่ได้ลงมาแก่เจ้าหมายความว่าตอนที่จิบริ้นกำลังอ่านอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งรีดที่จะที่จะอ่านนะครับให้จิบริ้อ่านให้จบก่อน อินนั้อ علينا جمعه وقرآنه อัลลอฮ์ ت ลาบอกว่าไม่ต้องรีบรอกเพราะว่าอินนั้อ علينا เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของอัลลอ์อะไรคือหน้าที่ของอัลลอ์ที่จะทำให้กับท่านนบีจม้าหูจม้าหูหมายถึงรวบรวมเก็บเอาไว้ในอกในการท่องจบในหัวใจของท่านนบีสุลตลา วะคุราน่ะเป็นหน้าที่ของเราที่จะทําให้เจ้าเนี่ยจําในหัวอกแล้วก็อ่านออกมากับกับอะไรครับกับลิ้นกับปากไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเจ้าจะจําแน่นอนและเจ้าก็จะอ่านมันได้แน่นอน فإذا قرأنه فتبع قرآن ดังนั้นเวลาที่เราอ่านคุรานให้เจ้าฟังเนี่ยหมายความว่าอ่าน อ่านจนจบแล้วจึงฟัดตบะบกอุรานะเจ้าจึงค่อยอ่านตามไม่ใช่ว่าอ่านยังไม่ทันจบเริ่มที่จะอ่านแล้วเพราะกลัวว่าทา่านอภีษฐรท่านอภิษฐริ ท, ทอย่างนั้นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกลัวว่าจะตามไม่ทันแล้วกลัวว่าจะท่องไม่จํานะครับเล้ท่านละก็เลยสอนวิธีใหม่เวลาที่เราเรียนกับใครก็แล้วแต่นะครับฟังเขาให้จบแล้วก็อ่านตามสุฮานะลละ สองอย่างเลยนะจำอาฮูหมายถึงรวบรวมเก็บเอาไว้ในความสงจำในหัวใจในหัว อ, อกของท่านนาบีวะกุรานะอันนี้อันที่สองหมายถึงว่าท่านนาบีสามารถที่จะอ่านออกมาได้ไม่ใช่ว่าอ่านองไม่ได้ไม่ใช่นะครับอันที่สมซุมมอินอะลียนะบายานะหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเอีกที่จะอธิบาย อัลกุรอานเนี่ยให้เจ้าเข้าใจจนเจ้าสามารถที่จะไปอธิบายให้กับคนอื่นต่อไปได้สามอย่างด้วยกันที่เราอลองมาตระลารับประกันอัลกุรอานนะครับกับท่านนาบีสุสลต่านสั่งนงำเอาหูฟีสดริเก็บเอาไว้ในหัวอกกุร อ, อ, อานะฮูหมายถึงจิลลาวะจหูนะอ่านกับปากบิลิเซนท่าน น, นาบีสามารถที่จะอา่านอัลกุรอานให้สาาหายของท่านฟังได้ แล้วก็อาล่ะบันทึกนะครับนําไปบอกต่อความหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลนให้กับบรรดาสาวบ้างฟังนะครับนี่คือ3ามอย่างเออเนี๋ยวมันจะเสียงบาข้ไงมฮาดะตักลิมุมมินอัลลอฮิอัลลอฮิะอัลลอฮิะจัลลัลิรัสูลีฟีคีธิตละกีฮีลูอิยะมินอัลมล นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุภาพะอัลลอฮ์สอนท่านรอซูลของพระองค์นะครับวิธีการที่จะรับวะฮยุจากจิบริลวกคนจะรับยังไง فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءة هي เพราะท่านนบีเนี่ยรีบรีบที่จะท่องรีบที่จะอ่านแลมันก็กำลังจะแข่งกับจิบริลอยู่ ف أ م ر الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي อ ن ي س ت م عله Allah تعالى قال ่ากับเราในว่าเวลาที่จิบรีอัวะยุมาเนี่ยให้ฟังให้ดีก่อนมิตรบรี ف وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأداءه على الوجه الذي ا ل ق ا ه عليه و ن يبينه له ويفسره ويوضحه ويوضح الحالة الأولى จมม ه อในศรีอันแรกเลยก็คือเก็บเอาไว้ในอก เราแต่ละรับประกันรพระองจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ว ا ل ث ا ن ي ีทีละวัจุหูอันที่สองก็คือการทีลาวะการอ่านออกมาันที่สามก็คือการ تفسير การอธิบายความหมายนะครับให้กับบรรดาคนอื่นได้ฟังมีหะดีสนะครับจากอุนอับบ้าฝรดอันหุมะฮะดีสนี้สับอีนมาก قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل ش د فكان يحرك شتى ท่านนบีนี่เวลารับวะยูนี่ท่านจำเข้มงวดมากตั้งใจเรียนนะเป็นนักเรียนที่ดีกับกิบรีลนะสุภานาลอันนี้เราเอาตัวอย่างนี้ได้เวลาเรียนอัลกุรอานท่านนบีจริงจังมากไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับ แล้วตัววหยูเองตามที่เราเรียนในสุราอัลมุซั่มิลเนี่ยมันก็มีอะไรเขาเรียกมีน้ำหนักมีความหนักแน่นของมันอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องตั้งใจเวลาที่จะเรียนอัลกุรอานให้ได้ประโยชน์จริงๆให้มันเข้าใจให้มันซึมซับเข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของเราความคิดของเราก็ต้องจังตั้งใจเรียนตั้งใจดูอานอบียก็เหมือนกันแท่านจะตั้งใจมากฟะคานะยูฮร uh ิกุชาฟตท่าน็เลแอ แบขยับปากคลางตอนที่โต๊ะครูกาลังสอนมีใครเป็นอย่างนี้บ้างครับ๊ครูกาลังอ่านอยู่ก็คือเหมือนกับบางทีโต๊ะครูก็ได้ยินอยู่ก็เลยบอกว่ายังไงนะอแล้ว فقال ل ِ إ ب ن ع ب ا س ن ا ح ر ك ش ف ت ي ك م ا ك ا ن ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي ح ر ك ش ف ت ه ب ن ع ب ا س ซึ่งเป็นคนเลา ฮะดิษนี่บอกว่าท่านนาบีเนี่ยขยับสองริมฝีปากของท่านอยู่แล้วอิบนอับบาสก็ขยับปากด้วยพวกเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ในขณะที่อิบนอับบาสเล่าให้เราให้ให้คนอื่นฟังว่าให้คนหนึ่งฟังว่าท่านรอซูลเนี่ยขยับริมฝีปากของท่านอยู่อิบนอับบาสก็ทําตัวอย่างให้เห็นจริงเลยเนี่ยฉันกําลังขยับเหมือนกับที่ท่านนาบีขยับให้พวกท่านดูเลย อ่าสมมุติไปนะผมไม่ได้ดูว่าเขาขยับยังไงเข้าใจไหมครับคืออิบนอับบาสเนี่ยเป็นคนเห็นท่านนาบีรับวะฮีอยู่ว่าท่านนาบีกําลังขยับริมฝีปากยังไงตอนที่ท่านสอนคนอื่นว่าท่านนาบีขยับปริมฝีปากเนี่ยตัวเองก็ทําตัวอย่างให้ดูด้วยซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องทําตัวอย่างให้ดูแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่าต้องการให้มีอามานะในการสอน ให้เกิดความสมบูรณ์ในการสอนทำตัวอย่างให้คนเรียนนักเรียนของตัวเองดูด้วยว่าท่านนับดขยับปากยังไงเข้าใจมั้ยครับนี่แหละที่ผมบอกสวยงามวิธีการสอนของคนสมัยก่อนฟาอ้น ا ل ل ลัลลอฮุอะซจาวะเจลแล้วอัลลอฮ์ตรัลละกับประทานอายัดนี้ลงมาแล้วจะ حرك บิฮิลิซานะกะในต่างัลบิฮิซึมมะอะไรเนี่ย อ่าว่าแล้ลีสอ่าสคนเล่าเนี่ยมันมีเป็นตอนตอนตอนตอนนี่ผมจะบอกว่าสวยงามวิธีการเรียนในสมัยก่อนเนี่ยในอิสลามเนี่ยการเรียนแบบเรียวยัดหรือการเรียนแบบมีสายรายงานเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษที่สุดแล้วน่าเสียดายที่เราไม่ถึงขั้นนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็มีนะครับ วิทยาดาเราก็เรียนกันอย่างนี้กันอยู่เขามีเขาเรียกว่าอิจ a คนนี้จากคนนี้จากคนนี้จากคนนี้มันเราหาน้อนมานะครับมีที่ปัตตานีตอนนี้มีเชฟ ค, คนหนึ่งสอนอยู่ที่มอปัตตานีนะครับวันกลางคืนก็จะสอนสอนฮัตติสแบบอิจะ z a ใครอยากจะไปเรียนก็ลองได้มีทุกสัปดาห์สอนฮัตติสบุคอรีแบบมีอิจ aza เลยก็คืออ่านให้ฟัง ลูกศิษย์ก็อ่านตามเสร็จแล้วก็จะให้ก็จะเซ็นชื่อให้เลยว่าลูกศิษย์ของชั้นคนนี้ฟังมาจากชั้นชั้นฟังมาจากใครจากใครจากใครจากใครจนสุดจนสิ้นสุดที่อิมามบุคาร r ใครอยากจะเอาบ้างอลองดูนะครับใครว่า ง, างมีเวลาว่างลองลองลอง ล, อ ง, ลองไปเป็นนักศึกษาดูที่อันนับถือว่ามันศัลย์ะคะ่ี ط ر ي ยัน يلتمس فيه علم ใครที่ออกจากบ้านเดินทางไปหาความรู้ลองดูจะได้อาจจะได้กับฮาดิสนี่นะครับเนี่ยอิมน์นอับบาสนี่ยเล่ามาจากท่านนาบีซึ่งคนที่เล่าจากอิมร์อับบาสอีกทีก็คือซาอิดเบนจุเบิดซาอิดเบนจุเบิดเนี่ยไปเล่าให้มูซาเบนอบียรอิชะเป็นขั้นเป็นตอนอิมน์นอับบาสตอนที่ท่านสอนซาอิดตอนที่เล่าให้ซาอิดฟังเนี่ยท่านก็ขยับปากซาอิด ตอนที่เล่าให้ลูกศิษย์ของตัวเองฟังก็ขยับปากด้วยแม้แต่การขยับปากก็มีรีวัยยะไม่ใช่เพียงแค่ตัวบททันทีเสียงเดียวนะก็คือขยับปากตามกันไปเลยเพื่อต้องการให้มันเรียกว่ามันมีความเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเกรดเป็นอะไรเล็กๆในน้อยที่ทำให้การเรียนการสอนมันมีชีวิตชีวา سبحان อัลลอฮ ับนี่คือการเรียนในสมัยก่อนโนะตครูในในจำนวนสัฮาบะที่มีความเขาเรียกว่าออชอบที่จะเรียนแบบท่านนาบีแบบจริงจังมากๆเนี่ยอย่างเรื่องบางเรื่องนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคือมันไม่ได้มีผลในเชิงอิบัต ด, ดัตหรือว่าเป็นเป็ น, ปนอะไรเขาเรียกเป็น ไม่ได้มีเป็นเงื่อนไขไม่ได้เป็นฟ a รดูไม่ได้เป็น w า j ิบไม่ได้เป็น SUNAT ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิน้นแต่ท่านนาบีทำสหายบาคุคนี้ก็จะเลียนแบบแบบก้าวต่อก้าวรอยเท้าที่ท่านนาบีเหยียบตรงไหนเนี่ยเหมือนกับว่าจะเหยียบให้ตรงนั้นเลยนี่คือรู้จักไม่ใครในจำนวนสหายทั้งหมดสหายรุ่นยาวด้วยรุ่นเล็ก ที่จริงจังมากเวลาที่ท่านนาบเีเคยเขาเรียกว่าอะไรตอนที่ไปมักกะเนี่ยตอนที่ท่านนาบีไปมักกะเนี่ย ส, ส, ลลสุลต่านเราสันหลักก่อนที่ท่านจะลงจากอูดเนี่ยอูดของท่านนี่วนรอบสองรอบก่อนซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอิบาดัตดใดๆทั้งสิน้นเป็นเพียงเหมือนกับว่ายันหาที่จอดไม่ได้ก็เลยวนสองรอบสัฮาบะคนนี้เวลาที่เข้ามักกะเนี่ยก่อนที่จะลงจากอูดเนี่ย จริงๆก็จอดอุดได้เลยใช่ไหมแต่ก็ยังไม่จอดก่อนให้อูดของตัวเองวนของสองรอบเหมือนที่ท่านนาบีเคยทําแล้วก็ไปลงตรงที่ท่านนาบีเคยแหวะพักใต้ต้นไม้ต้นเดียวกันที่ท่านนาบีเคยแวะพักด้วยคือความจริงจังของชาวบ้านบางคนที่ต้องการน่ะต้องการที่จะทําเลียนแบบให้เหมือนกับท่านนาบีสัลลัมสัลลัมมากที่สุดใครครับเล่ามาตั้งนาน ทายสิฮะเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรครับสอบบ้ารุ่นเด็กนะครับอับดุอ์มรรับย์ยัลลัลลอฮุอะัยฮุมะนะครับอับดุอ์มร์อับดุลขุตภาพรับย์ยัลัลลอฮุอันฮุมะเป็นหนึ่งในเจ้าหนุ่งสาวาที่สุดพระนั่งหล่อสุดยอดมากนะครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรคือคือเหมือนกับว่าตัวเองจะต้องเรียนแบบให้เหมือนมากที่สุดเท่าที่จะเหมือนไดนะครับอันนี้เราให้ฟักเป็นเกร็ดความรู้เฉย มาดูทับซีดอีกทับซีดหนึ่ง ม, มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเรียนเพราะมันเป็นเกรดในการที่จะเอามาเป็นมารายาทในการเรียนของเราซึ่งมันไม่ค่อยมีมารายาทแบบนี้หลังๆนี้เวลาที่เราเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยเรียนรู้ถ้าจะบอกว่าอัลกุรอานมันครอบคลุมทุกอย่างก็อกบอกได้อัลกุรอานไม่ได้พูดแต่เรื่องที่มันใหญ่โตมโหาวเป็นปรัชญาชีวิตอย่างเดียวส่วนเรื่องเล็กๆ เ, เ, เรื่องจุกจิบยิบย่อยบางทีอัลกุรอานก็พูดเหมือนกัน แม้กระทั่งวิธีการเรียนอัลกุรอานก็พูดนี่ไงและทุกฮ ร, ริกบิฮิลิษะเรื่องเล็กๆในน้อยทำไมทำไมทไมอัลกุอรอานถึงให้ความสำคัญกับมันด้วยนะครับเนี่ยมาดูคำพูดของตับเสรของอัะดีท่านบอกว่า وفي ในอายตนี้เนี่ยสอนอับสอนมารยาทในการที่เราจะเอาความรู้หรือว่าไปเรียน นะครับรับความรู้จากคนอื <laughs> ่นมาอัลลอยุบัดร ا ل م ت ع ل م ا ل م ع ل م ة คือลูกศิษย์เนี่ยอย่าอย่าแซงอาจารย์อย่าแซงอาจารย์อาจารย์ยังไม่ทันจบเลยลูกศิษย์แซงซะแล้วยกมือซะแล้วไม่ได้นะครับไม่มีมารยาทอย่างนั้นก็และ أن يفرع من ا ل م س أ ل ت ي ร ع فيها ก่อนที่โต๊ะครูก่อนที่คนสอนจะจบประเด็นที่กําลังสอนอยู่เนี่ยให้เราตั้งใจฟังก่อนตั้งใจฟังให้ดี فإذا فارغ منها سأله عما أشكى عليه เวลาที่คนสอนสอนเสร็จแล้วจึงค่อยถามสิ่งที่ตัวเองมีปัญหาอยู่นะครับตอนที่เรียนเนี่ยก็คือจดเอาไว้ก่อนว่ามีปัญหาอะไรยังไงไม่เข้าใจตรงไหนก็จดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ถามหลังจากที่สอนจบไปแล้ว وكذلك إذا كان ใ ي ออล์ล์ ل ำไม่ยุบอัลร์ดหรืออัล س ์อัพซามือนกันสมมุติตอนที่เริ่มสอนมาใหม่เนี่ยเริ่มต้นสอนมานาทีแรกสอง น, นาทีแรกมันมีประเด็นที่เราอยากจะเฮ้ยอยากจะตอบโตอ้อยากจะรับอยากจะก็เรียกว่าอยากจะคอมเมนต์อยากจะคอมเมนต์ละ นะครับยังไม่ทันจบก็คอมเมนต์ละฟังยังไม่ทันจบนะบเปิดไสมมติสอนอยู่สามสิบนาทีเปิด YouTube ฟังสามสิบนาทียังไม่ทันจบสาสิบนาทีนาทีแรกรัดและ้ะตอบเอาอิลิสเิหซานหรือจะไปเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มเติมนี่น่าจะน่าจะเพิ่มสักหน่อยหนึ่งอัลลายุบาดิร Biraddihi a ี q a b u l i h บ, บ, บก่อนที่จะจบเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งที่จะตอบโต้ก่อนหรืออย่าเพิ่งที่จะไปรักหรือจะไปอะไรก่อนนะคะรับฮัจ่ายฟรอมินเจลิเกลกลมจนกว่าคนสอนจะสอนจนหมดแหละล เ, เาาลพราะว่าการที่เรารอฟังจนจบเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่มันเป็นเรื่องจริง อันไหนที่มันเป็นเรื่องบาติลอันไหนที่มันเป็นเรื่องแคทนะวะลีย์ฟะวะลีย์ฟะมะฮูฟะมันจะ ت م ك นุ b ิ h ีมินัลคลามีอะลเลยแล้วก็เพื่อที่จะได้เข้าใจคําพูดทั้งหมดของคนพูดถ้าต้องการจะตอบโต้ก็ดีถ้าต้องการจะวิเคราะห์เพิ่มถ้าต้องการจะวิพากถ้าต้องการจะเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าฟังไม่จบเนี่ย มันเป็นความไม่ยุติธรรมต่อคนพูดเข้าใจไหมครับคือเราจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าคอมเมนต์ได้ไหมได้แต่ต้องฟังจนจบเพื่อที่จะได้รู้ทั้งหมดว่าตรงไหนมันผิดตรงไหนมันถูกบางทีฟังไม่ทันจบเขายัางอธิบายไม่ทันจบที่เราเริ่มคอมเมนต์แล้วมันเป็นการไม่ยุติธรรมต่อต่อคนพูด เราไม่ให้ความยุติธรรมต่อคนผู้เราต้องฟังเขาจนจบก่อนแล้วจึงจะไปตอบโต้หรือไปพูดเพิ่มเติมหรือวิพากหรือวิเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ายังฟังไม่จบเ้าพูดอะไรอยู่เอาตัดส่วนหนึ่งไปวิเคราะห์หรือว่าไปวิพากเนี่ยอันนี้เป็นการซ่อนเล็มได้นะครับระหว่างให้ดีนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีวิทยาในการวิชาที่เรียกวิชามุนาซาระในอิสลามจะมีวิชานี้ด้วยวิชาการตอบโต้อลมุนาซาร์วิชาโตวะทีอะไรพวกเนี้ย ็จะมีกฎอเดของเขาด้วยกาอเดชในการมุ اظرة กาเอเดในการตอบโต้กันไปมามารยาทในการตอบโต้มีกฎเกณฑ์เหมือนวิชานาฮูเลยวิชานาฮูใครเรียนวิชานะฮูบ้างมีฟาเอลมีมัฟโอลมีฟาเอลมาดีมีฟาเลมตาระมีนูนมีนี่กาอเดชในการมุน اظرة เนี่ยมาเป็นเล่มเหมือนกับวิชานะฮูเลยเพราะฉะนั้นน ะ, ะ, น ะ, ะ, น ะ, ะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะมุน ا า ر ة ได้และไม่ใช่กับทุกคนที่เราจะไปมุนา ظ ر ح. กับบางคนเนี่ยอย่าไปสนใจมันให้มันพูดไปไม่มีประโยชน์ไม่มีน้ำหนักที่จะไปมนาซอลกับเขานะครับและเขาไม่ใช่ทุกคนที่มีอาวุธมีความพร้อมที่จะไปตอบโต้หรือมนาซอลกับใครนะครับนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่เขาฝากฝังมาในในเรื่องของการในการใช้ตอนนี้พวกเราเนี่ยเนื่องจากว่าบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปบทบาทของโซเชียลมีเดีย เข้ามาในชีวิตของเราเยอะทําให้คนทุกคนอยากจะเป็นพวกโตมีเวทีให้เขาเรียกเมื่อก่อนไม่มีเวทีเดี๋ยวนี้เวทีไม่ต้องมีก็ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวทีเวทีที่จะนู่นนี่คอมเมนต์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับว่าะฝึกตัวเองมันก็เลยเกิดสภาวะที่ปั่นป่วนกันไปหมดคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าอ่ะลี้ ไม่มีความพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่มันเข้มข้นก็กลับออกมานําเสนอแล้วกับคนที่ไม่มีความพร้อมไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอาวุธไม่มีความครอบรอบรอบด้านครอบคลุมรอ บ, รอ บ, รอ บ, รอบด้านที่จะไปตอบโต้ที่จะไปไวิเคราะห์หรือวิพากก็ออกมาตอบโต้ได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าข้อมูลมันอยู่ในมือเราเราสามารถที่จะทำได้อะไรทุกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับถ้าคนที่สมควรจะหยุดสมควรจะไม่พูดหยุดบ้างไม่พูดบ้าง ความปั่นป่วนต่างๆในสังคมของเราก็อาจจะน้อยลงนะครับอัลลอฮฺุต้า ล, ล า, ลล า, ลลานี่เป็นเป็นมรารยาทนะครับมรารยาทที่อัลกุรอานก็สอนแบบสอนแบบตรงๆบ้างสอนแบบอ้อมๆบ้างนะครับเนี่ยสอนท่านนาบีว่าเวลาที่จิบรีลอ่านอัลกุรอานให้ฟังฟังก่อนแล้วค่อยแม้กระทั่งการท่องยังไม่ได้แล้วนักภาษาอะไรกับการวิพากแม้กระทั่งการที่เราจะท่องจําตามโต๊ะครูเนี่ย ยังต้องฟังโต๊ะครูให้จบก่อนถึงจะต้องจำตามโต๊ะครูหรือถ้าหรือถึงจะไปอ่านตามโต๊ะครูได้แล้วนักราษาอะไรกับการที่เราจะไปวิาพากษ์โต๊ะครูทั้งๆที่โต๊ะครูยังไม่จบจากการสอนของเขาเลยเห็นไหมครับอันนี้มันสอนเราอสอนเราให้เป็นคนที่มีความสุขขมไม่รีบร้อนนะครับใช้สติ ให้ดีในการเรียนก็ดีหรือในการอะไรก็ดีเขาบอกว่าคนที่มีความมั่นใจเนี่ยมักจะเสียงไม่ดังหมายความว่าเสียงเบาก็เชื่อดขาดได้คนที่เชื้อนิ่มๆไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดัง่ะไมใบมีดอะไรก็ได้นะใบมีดโกนใบมีดโกนอาบน้ำพึ่งใช่ไหมไม่ต้องพูดดังก็ได้ไม่ต้องพกห้าโอ้ไฮปาร์กไม่ต้องหรอกแต่ว่าพูดคำเดียวนี่โอ้โหเพื่อนเลือดซิปเลย นนคนที่มีความมั่นใจเราก็เหมือนกันนะครับไอคนที่คนกตีปี๊บดังๆเนี่ยตีมนสนยาสัญญแล้วไม่ค่อยได้เรื่องอันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะมันเป็นมารยาทนะครับเป็นมารยาทในการหาความรู้เป็นมารยาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องกันหมดเลยเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้ใครที่เล่นใครที่เล่ น, ลนอุปกรณ์มือถือที่มีอ่าอะไรนะพวก มีเดียต่างๆเนี่ยหีไม่พ้นจากการที่ต้องไปเห็นการตอบโต้กันไปมานะฮะหรือบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนานะผมว่ามันเป็นเรื่องทุกเรื่องเลยเรื่องศาสนาด้วยเรื่องอาชีพด้วยเรื่องเสัพเพเหระเต็มไปหมดหน้าวอ l นะในฟีดของแต่ละคนนะข่าวเราละข่าวเธอละกันละนพูดถึงเรื่องนี้นะก็เข้าตัวเองนั่นแหละ นะครับไม่ได้เข้าใครแล่เข้าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันปรับวิถีชีวิตของเราไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องรู้ทันไม่ใช่ตามทันในพวกเราเนี่ยตามทันกันหมดแต่ไม่รู้ทันตามทันยังไงเอาเวลาที่รุ่นไหนออกมาซื้อเวลาอะไรออกมาใช้โดยที่ไม่ทันได้รู้ว่ามันคืออะไร ตามไว้ก่อนไม่ว่าตามทันแต่รู้ไม่ทันให้รู้ทันตามไม่ทันไม่เป็นไรแต่ให้รู้ทันนะเขาจะออกมารุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนไม่ต้องไปตามมันไม่จําเป็นว่าต้องตามทันไม่จําเป็นว่าต้องซื้อตามรุ่นตามนั้นตามนี้แตรู้ว่ามันคืออะไรอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะตามทันอย่างเดียวแต่รู้ไม่ทันถ้ารู้ทันตามไม่ทันไม่เป็นไรเพราะเรารู้ทันแล้ว ฉลาดนะครับหรือถ้าจะไม่รู้ไปเลยก็ดีะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องรู้ไปเลยมันไม่มีประโยชน์บางครั้งคนที่ไม่รู้ไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสบายสมองมากกว่าอหัวมันไม่ปวดหัวมันไม่ต้องรู้เรื่องพวกนี้จบไปเลยไม่ต้องยุ่งกับพวกอินเตอร์น็องตอินเทอร์เน็ตไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องพวกนี้สบายใจไม่ต้องมาเห็นไม่ต้องมาเกี่ยวข้องนะครับจะห้ามดยเลยละอ่ะชุโกตอัลลัชมากๆสำหรับคนที่ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องพวกนี้ เพราะมันปวดหัวมากเพราะยุ่งแล้วต้องบริหารถ้ายุ่งแล้วไม่บริหารเนี่ยจบมันจะยุ่งกับเราแน่เพราะฉะนั้นต้องบริหารให้เป็นใช้อย่างไงใช้แบบไหนจะป้องกันยังไงโอ้หลายเรื่องมากๆนะครับเห็นไมปวดหัวเลยคนที่รู้แต่ต้องรู้เพราะว่าถ้าไม่รู้เนี่ยมันจะกลายเป็นเหื้ยของมนันทันทีนะครับอัลลอฮฺ تعالى ع สุภานั่หลมีอีกข้อนึ่งที่เป็นบทเรียนจากเรื่องนี้นะครับจากอายเหล่านี้อบรรทัดนี้ النبي الله عليه و س ن ا ل ل م ة ا ل ف ظ ا ل ا ل ف ظ ا ل ف إ หมายความว่า มุสซาดีบอกว่าอันนาบอันนบีสลลัลละฮสัลลัมท่านนบีสุลลัลละฮสัลลัมเช่นเดียวกับการที่ท่านอ่านอัลกุรอานทีละคำทีละประโยคให้บรรดาสหาบะาของท่านเนี่ยได้อ่านตามและได้ท่องจำไปด้วยเนี่ยฟอินนะหูกตบิยนะละฮมมาอานีมาอานีเหูท่านนบีเองก็ ได้อธิบายความหมายของมันด้วยอันนี้เป็นการปฏิเสธคำพูดของคนบางคนที่บอกว่าบางเรื่องบางอย่างท่านนาบีไม่ได้อธิบายความหมายอัลกุรอานให้กับประาชาชาิของท่านเคยมีไหมคนพูดแบบนี้ว่าคนรุ่นหลังรู้ดีกว่าคนคนรุ่นยุคสองป่สาสาวปาบางโดยเฉพาะอายะที่เกี่ยวข้องกับศีตคุณลักษาหนะขูวอัลลอลฺ บางคนคนรุ่นหลังบางยุคเนี่ยบางสมัยบางกลุ่มเนี่เขาจะมองว่าอยายัซศิฟัดเนี่ยต้องมาตะวีต้องมาอ ะ, อะไรเขาเรียกต้องมาตะวินนี่นภาษาไทยว่าอย่างไงต้องมาตีความต้องมาตีความเพราะว่าอันนี้เราตระหนักไม่ได้ต้องการอย่างนี้ดีเราตระหนักต้องการอย่างนคืออธิบายตามสติปัญญาของตัวเองอันนี้เป็นการเป็นการคิด ทิศขานกับอายัดที่เรากําลังอ่านอยู่เพราะอัลลอฮฺตะลาบอกว่าซุ่ ม, มะอินนาอะไรนะบียนะอัลลอฮฺตะลาจะอธิบายความหมายอัลกุรอานให้กับท่านนาบีฟังให้หมดสแสดงว่าท่านนาบีเนี่ยก็ได้อธิบายความหมายอัลกุรอานให้กับบรรดาสาบะของท่านด้วยท่านไม่ได้เอาอัลกุรอานมาแล้วก็ให้เฉพาะอ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้อธิบายว่าอายัดนี้อัลลอฮฺตะลาหมายถึงยังไงอะไรแบบไหนไม่ใช่ ให้มาทั้งเล่มแล้วไม่ใช่ให้มาแบบประโยคเฉยๆแต่ให้มาพร้อมกับเนื้อหาในอัลกุรอานนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าอัลกุรอานไม่มีส่วนที่ถูกปกปิดจากท่านอนาับดุลลอห์สันแล้วนะครับยกเว้นบางอายัดที่เกี่ยวที่เขาพูดว่าอายัดแหลรอายัดฮุรุสบุกตั๋ะอายัด ต, ตนสุรั์ที่เราเรียนอลิฟลา ม, มีมอลิฟลามซอด อัน น, นี้ลงมาเพื่อเป็นการแอบแจสเพราะท่านนาบีเองก็ ไ, ได้อธิบายความหมายนี้กับบรรดาซาร์ฟของท่านนักกัปเชียก็เลยบอกว่าความหมายของอยัดเหล่านี้ก็คือมาเพื่อเป็นการแอบแจ๊สกัจีสเป็นความมหัศจรรย์เป็นการทา้าทายบรรดามุชริกีซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาษาพอมาเจออายตดพวกนี้ก็เลยนะครับได้เห็นชัดว่าอัลกุรอานนั้นเป็นมัจจิสัเป็นความมหัศจรรย์แต่อายัดอื่นๆทั้งหมด นะครับไม่มีที่ท่านนาบีไม่เข้าใจไม่มีที่บรรดาสหบพ์อ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ถามท่านนาบีสุลต์ถ้าไม่เข้าใจจะต้องถามท่านนาบีแน่แต่ถ้าไม่เข้าใจท่านนาบีต้องอธิบายตรงนั้นเลยโดยเฉพาะสหบพ์บางท่านอย่างอิมนุอับบาสรอะดีอัลลอฮุะนฮูมะนะคนนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นฮิบ um รุลอัมมะน้าหมึกแห่งประชาชาติอิสลามหรือ ฉายอีกฉายหนึ um ma, ่ก um ok ็คือ ب ح ุลอชื่อสวยฮิบรุอัลมบัพรอเดียวกันเดีว่าไปสลับที่แค่นั้นเองฮิบรุฮะบะรานมึกแห่งประชาชนบัพรุลอบะฮะสลับที่ระหว่างตัวบะกับตัวฮะอนี่ภาษาอาหรับนี่มันสวยตรงนี้ หิบรูหมายถึงน้ำหมึกบาฮารูหมายถึงทะเลมหาสมุทรประหนึ่งว่าน้ำหมึกเหมือนกับมหาสมุทรเวลาที่ลราจะเปรยียบเทียบอัลกุรอานหรือความรู้ของพ ร, ร, ระองค์พระองค์จะเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับน้ำทะเลเราแค่ในบาฮารูมีแดดนลิคลิม่จีรับปีถ้าเอาน้ำทะเลในมหาสมุทรเอามาเป็นน้ำหมึก ในการจดความรู้ของ Allah แล้วนี้ฟดอทะเลก่อนจะนั้นนัแนอนว่าน้ำทะเลที่เอามาเป็นน้ำหมึกเนี่ยจะต้องเหือดแห้งหายหมดไปก่อนที่ความรู้ของละตละจะจบสิ้นเพราะฉะนั้นฉายาของนับัสฮิบรุลอุมมะน้ำหมึกแห่งประชาชิกับบารุลอุมมะเนี่ยมันสอดคล้องกัน เป็นเหมือนมหาสมุทรแห่งประชาชาิเป็นเหมือนน้ำมุกแห่งประชาเพราะความรุ่งของท่านเยอะมากทาั้งๆที่ท่านเป็นเด็กอิบนา บ, บาสเสียชีวิตอตอนที่ท่านอับดเสียชีวิตสุละสะลัละะลอฮฺสัลลัลล๊ะอิบนาบัสมีอายุแค่สิบสาปีสุบฮานัลลอฮฺแต่เป็นใหบรุลงอมมะหม่าพวกเราอายุสิบสาปีทําอะไรกันอยู่ <laughs> อ่ะกันจับโค ก, กันอยู่ไหมทำไม <laughs> <laughs> จับโป้จับโป้ใช่ไหมวันนี้ก็แถวที่ก็ได้จับโป้ใช่มเนยสิบสามปีอ่าณอัม บ, บาสสีิบสามปีเนี่ยเป็นอุลามะแลเป็นฮิบรรลอมะไม่แปลกครับเพราะวะ่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของท่านจปีตลอดเวลานะครับแล้วก็ท่านนาบีก็อ่านดุอาให้ท่านณอัม บ, บาสตอนที่ยังเล็กๆอยู่อัลลอฮมะฟัคกิห์ฟิดีนวะลิมหุตอวล ฟกฟิดีนให้เป็นคนที่เป็นฟักี์เป็นคนที่เข้าใจศาสนาของ Allah วะอัลลิมฮุตะวีและคอย Allah เนี่ยสอนต ف س อัตตวีรงนี้ไม่ถึง ت อัลกุรอานเนี่ยุลับาสก็เลยเข้าใจวัท ف ีรจากจากเนี่ยจากดุอาที่ท่นานนบีเนี่ยได้อ่านให้กับท่านนะครับทำไดแล้ววันนี้เรามาเหมือนกับมาเรียนทบทวนเรื่องมารายาทในการเรียน แล้วก็เป็ดเล็กๆ น, น้อยๆที่จะให้เรามีกําลังใจที่อยากจะเรียนนะครับว่ามารยาที่อัลลอลาสอนท่านนาบีเป็นยังไงคนสมัยก่อนเขามุ่งมั่นทุ่มเทในการเรียนการสอนยังไงจนกระทั่งนะครับได้เป็นผู้สืบทอดมรดกของบรรดา น, นาัลลและถ่ายทอดมาให้จนถึงพวกเรานะครับทุกวันนี้ความรู้ของอิสลามทุกวันนี้มาอัลลอฮฺ سبحانه และุ์ ความรู้ของอิสลามที่ถูกจดบันทึกมาในตำรับตำราเนี่ยเอาหลพูดไม่ออกนะครับมันเยอะมากๆนะครับเราถ้าความรู้ของล่อเปรียบเสมือนกับมหาสมุทรตอนนี้เราเนี่ยเหมือนกับอยู่ในอ่างน้ําแค่นั้นเอง <laughs> เรายังไม่ได้ออกไปจากอ่างน้ำํำสิในความรู้ที่เรารู้ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับในกระมังแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ออกไปที่แม่น้ําที่ยังไม่ได้ออกไปแม่น้ําำสิเรากําลัง ว่ายอยู่ในอ่างน้ําเองน้อยมากนะครับความรู้ของเราถ้าจะเทียบกับความรู้ทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุบฮฺราห์สัอะลาประทานมาแค่ความรู้อิสลามนี่มันไกลเยอะแล้วแค่ที่มันมีอยู่ในอัลกุรอานนี่ก็ไม่รู้จะตักตตงยังไงนะครับให้มันให้มันหมดมันไม่หมดมันไม่หมดนะครับทุกวันที่เราอ่านอัลกุรอานเราจะได้สิ่งใหม่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ความสามารถของเราในการไตร่ตรวงหัวใจของเราในการทบทวนยังไง นะครับอินนัฟี ذلك ذ ِ ك ْ ر َ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ الْقَسْمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ จะได้รับบทเรียนสาหรับคนที่เรียนอัลกุรอานด้วยหัวใจแล้วก็ตั้งใจฟังจอยู่กับเนตัฟโต้แล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะครับอัลล تعالى أ ลลัลลอฮ ي ّ ن ا م ح وعليه ا ل ا ب ي وسلّم. س ب ح ا ل ع والسلام على المحسلين ا ل ح م د لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته